ลูกหลานมิจฉาอาชีวะก็มีมีข้อบอดไม่ชนะจะพูดจะปารอบแต่มาของเรามันก็เป็นน้องของหลวงปู่มหาขึ้นข้าเสี่ยวหลวงปู่มหาเนาะหลวงปู่มหานะ้นมานมากจริงเนี่หลวงปู่ก็ได้ศิษย สุขภาพไม่ค่อยดีเช่ไค่ะหลงัวหาัวนนะคะอืมไม่ค่อยดีค่ะนูไปตอนนั้นก็ไม่พบท่านเห็นบอกเข้ากรุงเทื ม, มชวญคุนพ่อคุณแม่มาด้วยอืมไม่มาใช้ไค่ะแต่ว่าได้ทำที่ความตั้งใจไว้คือว่า เสร็จงานหลวงปู่แหวนแล้วหมายถึงว่าไม่มีหลวงปู่แหวนแล้วคุณช่วยนั่นหนูไปบ่อยนะใช่ปะเพราะว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ได้ไปสักยีอนอะไรให้อยู่เจ็ดแปดวันโรงบานนะนะคะแล้วพอดีเก็เลยว่าหมดแล้วก็จะหันไปดูพ่อคุณแม่บ้างให้ทําำบวนาอืก็ได้ผลนะหลวงปู่สองคนก็ยอมทําแล้วหนูก็จะช่วนมาที่เนี้ยอยากให้มาฟังหลวงปู่บ้างท่านบอกว่าเดอยวไปเลยมันมีห่วง ทานภาวนาพุทโธอืยพุทโธเนี่ยดีพ yeah. ุทโธก็ดีอยู่เหมือนกันพุทโธก็แปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ก็ย่นลงมาหาพุทโธก็ถูกแปดหมื่นีพันพระธรรมขันธ์ย่นลงมาลมให้แก่เขาออกก็ถูกแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ย่นลงมาหาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถูกแปดหมื่นสีพันพะธรรมขันธ์ย่นลงมาหากายวาจาใจก็ถูก มีความหมายอันเดียวกันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันย์ย่นลงมาถึงเอกจิตเอกธรรมก็ถูกเขามีความหมายอันเดียวกันผิดกันแกวงหารนะคล้ายว่าเราจะเข้าไปในกรุงเทพคนหนึ่งจะเข้าไปในทางเชียงใหม่คนหนึ่งจะเข้าไปทางในทตะวันออก ทางไปริว้วคนหนึ่งจะเข้าไปในทางภาคอีสานคนหนึ่งมาทางภาคใต้คนหนึ่งมาจากภาคกลางมาจากลบบรุรีหรือแนหวางที่นค บ, บุรีก็ดีคนหนึ่งมาจากจุลพนลังสวนก็มารวมที่กรุงเทพแห่งเดียวทั้นใดก็ดีนโยบายกรรมฐ า, านแต่ละอย่างเลยาก็มารวมแห่งเดียวกัน คำสอนแต่ละอย่างละอย่างก็มารวมแห่งเดียวกันก็มารวมที่มโนภาพคำสามแปดหมื่นชีพระธรรมะขันมันเป็นคำสอนแต่ละบทละบาตรแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละอุบายแต่ความหมายก็มีความหมายอันเดียวกันหมายเพื่อจะให้บรรเทาราคะโทสะโมหะนั่นเองสิ่งไหนที่จะบรรเทาราคะโทสะโมหะ ให้เบาบๆงและหงุดหงิดหายไปสิ่งนั้นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าสังหายสิ่งนั้นที่จะส่ ง, สงเสริมต่อเติมให้ราคะจัดขึ้นให้โทสะจัดขึ้นให้โมคะจัดขึ้นสิ่งนั้นไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นจินตโกวีแต่งเรื่องจริงให้เครือง เพให้ไพเราะในเชิงกาบสากเพียงในก็าตามก็ไม่ใช่คําสอนของพุทธศาสนาซึ่งไหนที่จะทําให้เบื่อหน่ายใครมองให้สลดชั่งเว็ในพุทธศาสนาในโลกในช่วงศาลในโดยง่ายชิ้นนั้นแหละเป็นธรรมแก่นเป็นแก่นของธรรมในทา ง, งพุทธศาสนาจะสอนกว้างสอนแคบสักเพียงในก็าตามก็มีนโยบายเพื่อให้หั่นทำราคะโทสะโมหะเท่านั้น ให้บรรเท า, า, าราคาตัวะัม่านั้นสิ่งไหนที่บรรเทาราคาโทวสัมมหะไม่ได้สิ่งนั้ น, น, าา น, นถึงจะทําเพียไปสักเพียงใดก็ตามก็หาประโยชน์ไม่ได้ก็เป็นเทศศักกว่าธรรมถ้าค่าละม้ามยาจะมีกี่หมอก็ตามจะหมอประเทศนอกก็ตามมารักษาแต่ถ้าไม่บรรเทากิเลสจะเสียงเงินตั้งหมืน่นตั้งล้านก็ตาม ก็หาได้ประโยชน์ใหม่อันเดียวกันกรรมฐานใดๆที่บรรเทาก็ที่เด็ดของเราได้ก็กรรมฐานนั้นเป็นอาจารย์เดิมของเราทำให้เราเริ่มใสสัตธร เราต้องเคารพอาจารย์นั้นต้องปฏิบัติอาจารย์นั้นบ่อยๆเช่น อ, อาจารย์พุโทโธคนนี้อาจารย์รุมหายใจเข้าออกก็ดีอาจารย์พี่นาร่างกายก็ดีลองเร า, เราลองชิมดูชิมดูทุกอย่างทุกอย่างอันไหนมีรสดีแล้วก็เอาอันนั้นเพามันถูกกับจริตของเรามีรสดีด้วยบันเทากามวิตกกด้วยความตริตในทางกาม ความตียในทางการมจะลดหย่อนลงได้ก็ต้องพิจารณาอสุภอัภุวความตีในทางพยามาจะลดหย่อนลงได้ก็ด้วยอํานาจเมตตาคารุณานึกถึงเขาถึงเราล่อหวงความสุขเหมือนกันไม่เบียดเบียนใครไม่ชอบการเบียดเบียนพอเห็นโทษในการเบียดเบียนพอเห็นโทษในการจองเวรทางไปนี่จะให้พยามา เรื่องวิหินสาวความเบียดเบินลดย่อนลงสิ่งที่นอนเนืองอยู่ในขันดสันดาลก็มีโมหะอันละเอียดสิ่งที่จะทําให้โมหะอันละเอียดเบาบางลงได้ก็อํานาจด้พิจนาอานิจจังพร้อมกลับลมให้ใจเขาออกพิจนาทุกขรั้งพร้อมกลับลมให้ใจเขาออก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 ทุกขังอนัตตาที่มองแล้วได้ในอนาคตคืออนิจจังทุกครังอนัตตาที่ยังไมาถึงได้ใ น, ในปัจจุบันจึงนั่นก็คืออนิจจังทุกครังอนัตตาที่เห็นชติอยู่เมื่อเป็นดังนี้อดีตอนาคตปัจจุบันในส่วนนี้เราก็ไม่สงสัยเห็นความตายชัดในปัจจุบันนกิจปัจจุบันธรรมความตายในอนดีตในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยในชั้นนี้ เห็นความตายชัดในขณะเดียวก็เห็นหลบโลกแล้วเพระโลกเติมไปด้วยความตายเห็นความแก่ขณะคิดเดียวก็เห็นหลบโลกแล้วเพราะโลกเติมไปด้วยความแก่ถ้ามาเห็นชัดอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นเห็นตามสัญญาความจํามาต้องเห็นชัดค้อมกำลังไหวใจเขาออกความกำลังขณะคิจที่นึกคิดที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาที่เรียกว่าคิตตานุปัสนา ที่เรียกว่าธรรมานุปัสนาอยู่ในตัวจิตที่สิ่งไหนที่เป็นธรรมก็เรียกว่าธรรมานุปัสนาได้ก็เรียกว่าจิตานุปัสนาได้เหมือนกันจิตกับธรรมก็ไม่เป็นทุกขามกันก็เป็นอันเดียวกันเป็นสามัคคีกันเห็นอันนี้ยังชัดอันเดียว อนุสัยที่นอนหนึ่งในขันธสันดาลก็ยุบตัวลงไม่พยองอนุสัยคือกิเลเมัอเห็นโรกเต็มไปด้วยอันนี้จังแล้วรหรือเต็มไปด้วยความแก่แกบตายชัดแล้วหรือเต็มไปด้วยนินน้ำไฟลมชัดแล้วโลกอดีตโลกอนาคตก็คืออะไรก็คือนิ่ น, น้ำไฟลมในส่วนลูกขัน ลกคันก็ขันผลาเกิดแก่แกบตายเกิดขึ้นแผลเปรียปวนและแตกสลายนอกจากอนิจจังไม่มีอันไรจะเกิดขึ้นนอกจากอนิจจังไม่มีอันไรจะแผลปรปวนนอกจากอนิจจังไม่มีอันไรจะดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอันไรจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอันไรจะแผลปรปวนนอกจากทุกข์ไม่มีอนไรจะดับไป นอกจากทุกโมกนอกจากอนัตตาไม่มีอันไรจะเกิดขึ้นนอกจากอนัตตาไม่มีอัะไรจะแปรปรวนนอกจากอนัตตาไม่มีอนใรจะดับไปอนัตตาเท่านั้นแหละเกิดขึ้นอนัตตาเท่านั้นแหละแปรปรวนอนัตตาเท่านั้นแหลดับไปทุกเท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแหละแปรปรวนทุกเท่านั้นแหลดับไปอนิจจังเท่านั้นแหละเกิดขึ้นอนิจจังเท่านั้นแหละแปรปรวนอนิจจังเท่านั้นแหดับไป นอกจากอนิจจังไม่มีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากอนิจจังไม่มีอันใดจะแปรปรวนนอกจากอนิจจังไม่มีอันใดจะดับไปนอกจากทุกมีอันใดจะเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอันใดจะแปรปรวนนอกจากทุกไม่มีอันใดจะดับไปมีความหมายอันเดียวกันรายรับอันเดียวกันรายจ่ายก็อันเดียวกัน นายรู้ตามไปจริงก็อันเดียวกันอยู่เป้าเดียวกันไม่ใช่คนละเป้าเป็นโวหันหลายแผนแหกเฉยคำว่าโวหารก็หาลงในปัจจุบันเห็นปัจจุบันชัดอดีตอนาคตจะไปสงสัยทำไมเอาปัจจุบันเป็นพยานเองพยานในเียพยานอนาคตมันเป็นพยานที่ล่องไปแล้ว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 เป็นพยานเองแต่ย้อนโลดลงมาก็แหลมนิดเดียวในปัจจุบันยัดเยียดมากกว่าปลายเข็มอีกด้วยโลกเมื่อโลกยัดเยียดกว่าปลายเข็มอันนี้จังทุกขังอนัตตา ก, ก็ยัดเยียดขนาด น, นั้นเองทุกข์ก็ยัดเยียดขนาด น, นั้นเองนอกจากปลายเข็มไปหรืออะไรก็คือมรรคนิพพาน โลกยอดเยี่ยมเบียดเฉียดย่นลงมาย่นลงมาย่น ล, ลงมาแล้วเล็กกว่าปลายเข็มสรากสึ่งเานั้นไปคือมรรคผลนิพพานอดีตคืออะไรธรรมะชั้นสูงอดีตคือผู้รู้ที่ร่วออกมาแล้วอนาคตคืออะไร คือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่ผู้รู้ทั้งสามการนี้ใคยเป็นเจ้าของเกิดขึ้นแล้วก็ไปรียปวนแล้วแตกสลายทั้งนั้นเวียนมาเป็น ร, บรอบๆเหตุนั้นพระบ ร, รมศ า, าสดาจึงไม่สอนให้ติดอยู่ในผู้รู้ ให้เห็นว่าเป็นแต่สักว่ารู้เพราะความลมหายใจเขาออกเพราะทําลายอุปาทานเพราะทําลายภพอันละเอียดเพราะทำลายชาติอันละเอียดเพราะทําลายเวทนาทั้หาอุปาทานอันละเอียดเพราะทาลายสุขทุกอุเบกขาอันละเอียดไม่ติดอยู่ในสุขทุกอุเบกขาด้วยพยายาม จะทำลายเพื่อไม่ให้เป็นเหตุเพื่อไม่ให้เป็นกรรมเพื่อให้เป็นไม่ให้เป็นวิบากวนเวียนกันอยู่ขุนธรรมชัติสูงพี่สาวพี่สาวของลุงผูเวลาจะตายตายฟ้องกลับลมหายใจเข้าออกเป็นเตสักวารูเป็นเตสักวาย ว่าลมหาใจเขาเพราะเขาจะถอนอุปาทานของเขาเขาจะถอนภพถอนญาติเขาเขาจะถอนอวิชชาตัญหาเขาจะถอนความเจริยเทยาญในใดทางปวงเขาจะไม่ทําวิญญาณปฏิสนธิใา้แปรข้องอยู่ที่ไหนที่สุูนที่ชินเข้ามาก็มาให้ไปรข้องที่ไม่สูญไม่ชินเข้าออกมาให้ไปรข้องอัตตาเขาก็มาให้ไปรข้อง อนัตตาเข้ามาข้อห้ไม่้ไปข้อออนลูอธิยังทุกครั้งเขาก็มาให้ไปข้ อ, อง่อนลูเขาจึงปฏิเสธว่าเป็นในสัวาวะรู้เป็นในสัาวาเห็นเพื่อจะปล่อยวางไปในตัวปล่อยพ่อปล่อยชาติไปในตัวปล่อยวิญญาณปฏิสนธิไปในตัวปล่อยความเขาลบลักใไข่ไปในตัวเพวพันวันละของพี่สาวเคยไปเห็นเขาเอ่อยป่ากออกพี้ยวพันวันลนะ พูดผ่องมากคนอายุแปดสิบแล้วชื่อว่าแก้วลูกเขาเป็นรูปรล่อกว่าลุงปู่อัโคโขตั้งสิบเท่าลุงปู่เป็นคนรูปที่เลยแต่ว่าหลอหรือไม่รอก็อยู่ในท่าดินน้าไฟลมนองเมนเป็นเหมือนกันมีผู้ตามสมมุติ แต่เขามาหาเนี่ยปฏิบัติอยู่กับธรรมยุทธ์ไม่เขาก็อยู่กับมาหาวิกายปฏิบัติวัสผ า, านานสีเป็นได้สักว่ารู้เป็นได้สักว่าเห็นชินลมปานขณะนั้นเขาภาวนามานานแล้วยี่สิบปีนะ้รแต่เขาไม่โกนหัวก็บอกว่าการโกนหัวนั้น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 ไม่โกนหัวมันละูวอ ย, อยงนี่ละมันไม่นักหรอกผมก็อยู่พอผมเขาก็เลยไม่โกนเขาก็รักษาเช่นหน้าพอดีสุดมานานแต่เรทั้งสิ้นไปสิ่งของมีตามภาษาคนมันนอกได้นาฬัวสวนโคก็ะบือ ตามเลกตามน้อยตามภาษาเขาเขาเหมอะเป็นลูกข้าวเขาหมดแม่งเงินตังเดียวเขาก็ไม่เอาลูกคนไหนเขาว่าปิดามานะเขาเอามาให้กินก็กินเขาไม่เอามาให้กินก็กินเศษกินเดินของพระเขาบอกให้พี่สาวคุณแม่แก้วไปปั่นไร่ปั่นนาให้ด้วย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 หรือเล่นปีเวลาหายใจออกลมกระทบปลายจมูกมือเราจะตั้งไว้ที่ดั่งจมูกก็ถูกลมไม่ผ่านดั้งจมูกจะไปผ่านที่ไหนเราจะตามลมเข้าไปสั้นออกยาวก็ถูกนิสัยของลวงปู่พอเห็นลมเข้าข้างหนึ่ง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 เขาให้สาวมาตามกลางมันก็ถูกเหมือนกันผ the ู้พิจารณาทั้งเกิดขึ้นด้วยทั้งแปลป่วนมานี้ด้วยทั้งดับมานี้ด้วยทั้งเกิดมาทางนี้ทั้งแปลปวนมาทางนี้ทั้งดับมาทางนี้ด้วยในระหว่างเกิดก็ดีในระหว่างแปลปวนก็ดีในระหว่างดับก็ดีมันก็เกิดท้าระหว่างไม่ได้มันก็แปลปวนท้าระหว่างไม่ได้มันก็ดับท้าระหว่างไม่ได้สมมติเราหายใจเข้า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 สังขารละเอียดเป็นอยู่อย่างนี้โลกอนาคตโลกอดีตเราจะไปสงสัยทําไมในโลกละเอียดอัจฉ ต, ตาโลกโลกภายในนี้ก็เลยโลกภายนอกก็อันเดียวกันสังขารภายนอกก็อันเดียวกันสังขารภายในก็เป็นมีเงั้นเดียวกันเกิขึ้นจากประผลได้แตกได้ไหลทงนั้นนั่นนี่เลยจะเป็นห้นทางเบื่องหน้าค่ามาของเราในวัฏสงสารถ้ามาอย่างนั้นก็มีประตูผู้หวังพ้นทุกในปัจจุบันในชาติเขต้องอย่างนั้น หวังเป็นนิสัยตายคาพุทโธ ก, ก็ไปเกิดพมโลกเพราะไม่ได้เหนียวอนิจจังทุกครั้งอนัตตาให้ชัดเกิดพมมโลกเป็นพระสาวาราบบากพระเจ้ากทาคามีบ้างพวกะริภาวนาพุทโธแต่อย่างลงถึงอนิจจังทุกครั้งอนัตตา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 คุณธรรมโคุณสังโฆเขมหมือนกันคุณวินาบันดาปุญาตาทั่วก็เหมือนกันคุณท่านภูมีคุณก็้าเหมือนกันเทวุฒเทวดาเขมเหมือนกันไหลรวมลงที่พุทโธเหมือนน้ำแม่นองของเมืองบางหต่างไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลเช่นใดพระมหาคุณทั้งหลายก็ไหลลงสู่คุณของพุทโธธรรมโอสังโฆอันเดียวกันคุณพระนิพพานกัคุณพุทโธธรรมโมสังโฆอันเดียวกันเพราะยอดคุณของพุทโธธรรมโมก็คือพระนิพพานไปรวมคิวกันอยู่ที่นั่นไม่เกิดไม่ดับไปไหน นี่เรียกว่าวิปัสนาไม่ใช่สมาธิมัจจอวิปัสนามียานซัมประยุทธ์นี่แผ่เมตตาก็มียานซัมประยุทธ์เหมือนกันทามันไม่ตายถ้ามันไม่มีเวรมีภัยถ้ามันไม่ไมมีศัตรูแผ่เมตตาเป็นอนัตตาธรรมเป็นอนัตตาพรมเป็นท่าที่ไม่มีเวรมีภัยธรรมปัญญาลงถึงธาต ถ้าพี่จรณาทุกถึงดำเป็นธรรมมันไม่มีเวรม่มีภัยเป็นอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรม่มีภัยเป็นอนัตตาธารุที่ไม่มีเวรม่มีภัยเป็นอนัตตาขันธ์ที่ไม่มีไม่มีเวรมีภัเป็นอนัตตามะที่ไม่มีเวรมีภัยเป็นอนัตตาผลที่ไม่มีเวรมีไัยมันก็น้อมลงสู่วิปัสสนาได้เหมือนกันกรรมฐานทุกอย่างทุกอย่างน้อมลงสู่วิปัสสนาได้หมดมันขึ้นอยู่กับจิตปัญญาของแเราเอง สมถะทุกอย่างทุกอย่างน้อมลงสู่ยิปัชนนาในเหมือนกันน้อมลงสู่นิพพทาเวลาคะวิมุตติสุตตีในพานในเหมือนกันอืทิศธรรมาถามเหมือนกันทถานหลวงปู่อันนี้ที่ว่าสัมมารอรหังมันดีไหมหลวงปู่เออดีแล้วถูกแล้วสัมมารอรหังก็แปลว่าท่านผู้เป็นพระอรหังเออ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 เวมุตก็เป็นจริงจริงตามเวมุตแต่ไม่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเวมุตพราะเป็นธรรมแต่ละอย่างละอย่างสุขก็เป็นจริงตามสุขแต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นแต่สัว่าสุขเวทนาทุกก็เป็นจริงตามทุกกายจกระทุกทุกทางกายแก่เตะแต่เกตัสิกทุกทุกทางใจไม่มีในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนได้เว้นในเกตัสิกทุกทุกทางใจ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 ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานพะัฒนาเท่านั้นมันก็ตรงกับคำว่าเป็นเตสตรรู้เป็นแต่ศส์การเห็นก็มีความหมายอันเดียวกันจริงเ้วนี่แล้วพิจารณาลงสู่อนัตตาก็ตรงกัน มันคืนไม่ล่วงไปเฉยๆช่างขานก็ล่วงไปด้วยล่วงไปหาสัางขานนั่นเองเป็น ร, บรอบๆอยู่มุนอยู่มันกลองจักมุนรอบหนึ่งก็เป็นความเกิดขึ้นแปรพวนรอบหนึ่งแล้วทีนี้มันมุนเร็วจนไม่มีรอบมันก็เป็นรอบเก่าของมันเอง ที่เราเกิดมาอันนี้มันใช่รอบใหม่รอบเก่าของเก่าที่เคยเกิดมาแล้วนั่นเองแล้วแก่นี่มันก็ไม่ใช่รอบใหม่รอบเก่าของเราที่เคยแก่มานี่เองอืความเก็บความตายก็เหมือนกันความป่วยความเน่าก็เหมือนกันก็เป็นรอบเก่าของเราที่เคยเก็แก่เก็บตายเป่วยเน่ามาแล้นั่นเองไม่ใช่รอบใหม่มาจากประตูไหนเรามาสมมุติใหม่ตัวค่ายก็ว่าใหม่แต่ก็เป็นของเก่าเอสาธโมเสนตโนพระธรรมของเก่าพระพุทธนิพพานก็เป็นของเก่า พอปฏิบัติเพื่อมรู้นิพพานก็เป็นของเก่าผู้ผู้รู้นไปแล้วก็ไปทำเมือนเก่าเหตุฉะนั้นสับว่าพันนิพพานพันิพพานจึงมีมาแต่ดึกดำบรรดเราปฏิบัติเพื่อหลุดพ่้นปัญหามันก็ไม่มากรปัญหาในส่วนตัวของเราไม่มากถึงมีกิเลสมากกว่าแผ่นดินแผ่นฟ้ากว่าตา ปัญหามันมากถ้าเราปฏิบัติเพื่อปัจจัยสี่ปัญหามันก็าก่าแต่ว่าส่วนนี้ใครจะเป็นพญานห้ก็ตัวเราเองเป็นพยานเราเองเราพูดแต่ปากหรือจริงอย่างนั้นเราก็ต้องตอบเราได้คนอื่นจะมาตอบแทนไม่ถูกถ้าคนอื่นมาตอบแทนมันก็ไม่ตรงกับคำว่าฉันทิตทิโกเห็นเองวัจจตังเห็นเอง นู่นเฉพาะตนค้นเฉพาะใจเห็นแยบในเฉพาะใจเป็นมันเราอาการิโกมีอยู่ทุกการทำฝ่ายสังขารก็มีอยู่ทุกการทำฝ่ายวิ่สังขารก็มีอยู่ทุกการความเกิดความดับก็มีอยู่ทุกการทำอันฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกการทุกการของปัจจุบันนการนี่เองเราพิยงรงาดิน แล้เข้าใจว่าดิมอยู่ในอดีตอนาคตไม่ถูกมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นเราพิจารณาห้ามแล้วเข้าใจว่าน้ํามีอยู่ในอดีตอนาคตมันก็ไม่ถูกเหมือนกันเราพิจารณาอนิจจงแล้วก็ตีความหมายว่าอนิจจงอยู่อดีตอนาคตมันก็ไม่ถูกมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นดีเรไม่ต้องหาทำไมถึงหาเพราะมันไม่เห็นถ้าเห็นแล้วก็ไม่ต้องหาอย่าง ซับใส่ใจโลกธาตุซับภายนอกก็ดีซับภายในก็ดีเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหมดสังหาริมาซับก็ดีสังหาริมาซับก็ดีวิญญาณนะก็ซับก็ดีสักวิญญาณนะก็ซับก็ดีตลอดถึงซับอดตปะความกลัวตะว่าก็ดีวิโสดาบันซับสกถาคาซับปัาคาซับอัลัมตะซับซับภายในซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายโลกุตตรก็ดี ก็เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานหมดน่าเมื่อน้องของเมืองบางถูกตายไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวทรัพย์ใดใดก็ไหลลงสู่พระพุทธศาสน า, าโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นที่เป็นโลกิยะหรือโลกุตละกอตามเทียบในทางสูงทีนี้เข้มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉนันใดก็ดี ในไต่โลกธาตุนทรัพย์สินคา้าบริวารในทรัพย์ใจโลกธาตุนับแต่ผมมาโลกลงมาก็เป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาหมดเพราะเหตุใดเพระาะเหตุว่าทรัพย์ใจโลกธาตุพระอริยะเจ้าสีําพวกท่านคลายแล้วจึงว่าทรัพย์ของท่านท่านั้นมาเป็นคู่แย้งกับพวกเราพระอริยะสีจําพวกคือใครบ้าง สมมาสมพุทธจัมพ่วงหนึ่งปเจกับพุทธะจัมพ่วงหนึ่งสาวกพุทธะจัมพุ่งหนึ่งสาวิกาเพศผู้ญิงพุทธจัมพุ่งหนี่งเรียวกว่าพุทธะสีจัมพว่วงที่เป็นพระหลานไปแล้วเพราะท่านนัาทานคลายแล้วนี่มาเป็นคู่แย่งกับเราท่านคายแล้วทําไมถึงว่าทรัพย์ของด้านเออ ก็นำลายของเราที่เว้นทิ้งแต่เมดมันมาจอทีนี้เราก็ว่านะ้ำว่านำลายของคนนั้นคนนี้อุจจาระของเราที่ถ่ายเททิ้งแต่หมู่น้อนที่กองทุบกูดหมู่น้อนมันมาแย่งกันก็ว่าอุจจาระคนนั้นคนนี้หรือขีเธอคนนั้นคนนี้หรือปัจฉวะคนนั้นคนนี้ฉันในก็ดีในใจโลกธาตุ เป็นเศษก้างของพระรยาเจ้าทั้งหลายทิ้งแล้วพวกเรามีกิเลสยังไม่พ้นก็มาแย่งกันแต่ผู้มีซินมีธรรมเขาก็ไม่แย่งมีขอบเขตเขาก็เอาแต่เฉพาะที่เป็นส่วนของเขาก็ไม่แย่งแต่ว่ายืนของท่านมาใช่พวกเราเล็มเรียอยู่ทุกวันนี้เล็มเรียน้ำลายน้ามูกของพระรยาเจ้าทั้งหลายนั่นเอง พระเจ้สี่กีวันมินทบาทเศนาสนะและเพสัชเหียดน้ำลายน้ำมูกของพระอาญาสีจำพวกคนเองแต่ว่าอยาเรียใช้เฉยเรีบเร่งปฏิบัติพ้ทุกข์ท่านพูดอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่อวดดีอดเก่งว่าพวกโลกทั้งหลายเหยียน้ำลายเราแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นคข้างๆเขาเคลมทิศชี้ไปนในทางทิศเหนืออืมทิศเหนือก็้ามาในโอหังมังกระลว่า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 ทำไมจะไม่เข้าใจคนขนาดนี้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้อะไรอะไรมันก็ไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองใช่แล้วจิตใจของพวกเราก็โอนไปเอ็นไปน้อมไปในพระนิพพานดนั้นมีหนทางเดียวและอาที่ใจน้อมไปทางอื่นเมื่อเชนชาติจากนั้นแล้ว ซื้อพิมก็คือข่าวอนิจจังทุกขังอนัตตาน่้นเองก็คือข่าวเวงข่าวไปั่นเองข่าวคนเกิดก็คือข่าวทุกข่าวคนแก่ก็คือข่าวทุกข่าวคนเจ็บก็คือข่าวทุกข่าวคนตายก็คือข่าวทุกข์เรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่รถของธรรมดาเป็นรถทุกข์ธรรมดาอ่านว่าธรรมดา ธรรมดาโรกีเป็นธรรมดาทุกธรรมดาลกุตละนับแต่โสดาบันขึ้นไปเป็นธรรมดาที่ก้าวขึ้นขึ้นสู่ความเจริญในมรรคผลนิพพานชั้นสูงธรรมดาพาาระอรหันตเป็นธรรมดาไม่มาเกิดแก่เก็บตายธรรมชาติก็เหมือนกันประชาธิปไตยก็เหมือนกันสังคมนิยมก็เหมือนกันสังคมพาาระอรหันต์นิยมไม่มาเกิดแก่เก็บตาย สังคมยมของพวกเราก็เป็นอันหนึ่งสังคมของแมลงพึ่งก็เป็นอันหนึ่งสังคมของแมลงวันก็เป็นอันหนึ่งประชาธิปไตยก็เหมือนกันโรคขาวพาเป็นก็เหมือนกันแมลงพึ่งมันก็บอกว่าโรคขาวพาเป็นแมลงวันมันก็บอกว่าโรคขาวพาเป็นพระโสดาบันก็บอกว่าทำพาเป็นโลกท่านพาเป็นพระจ้ากราคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกัน พระรหันก็ว่าเป็นจบแล้วเป็นประชาธิปไตยจบแล้วเป็นทั้งคมนิยมจบแล้วเป็นธรรมชาติอันจบแล้วเป็นธรรมชาติอันที่ไม่เกิดไม่ดับนะถ้าเราไม่ใชไควรอย่างนี้เราไม่พิจารณาอย่างนี้จะไม่ให้แยบกายยึดใจเราของเราก็ไม่ได้ยินดีในพระดิพานเลยแม้แต่เกน้อยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ ยึดของเราก็เอ็นไปโอนไปน้อมไปพุโทโธคําเดียวก็หวังพานิพานไม่ใช่ทําพอหลอกเล่นทำโมคําเดียวก็หวังพานิพานทําเพื่อพานิพานไม่ทําเพื่อบูชาเกียรติไม่ทําเพื่อว่าจะติดอยู่ในวัฏสงสารวันที่จากทางเข้าไม่ทางพักเส้นหนึ่งก็โอนถึงพานิพานเลยไม่ได้วางว่า จะทำเพื่ออามิตรตอบแทนในวัตาสงสาร น, นี้เพราะิดมันโอนไปน้อมไปเองไปแล้วเพราะมันเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วแต่คเพียโนตะกุฏิวิหารของคุณมันมีอะไรสองมากคนไม่พักอยู่บ่อย นี่อันนี้สองมากครับเออวิมานนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในสวงสวรรค์เออมันเกิดขึ้นแล้วผู้ตามตำนานหลวงู่ก็มาได้เห็นหนอกผู้ตมนานของพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาขึ้นไปสวรรค์มาลกกำลังสร้างกุฏิวิหารสวายพระอยู่เกือบจะเสร็จแล้วและเสร็จแล้วก็มี ดาวมระตันฑเสร็จก็มีคือพิโมกขลาขึ้นไปบนสวรรค์ชัวรัดนิ้มือเดียวถึงแล้วรัดนิ้วมือเดียวนี่นี่นี่จะลงมาก็นีน่ถึงแล้วเหมือนคําฝันเดี๋ยวรัดนิ้วมือเดียวก็คงเทพเดี๋ยวลัดมือเดียวก็นิ้วมือเดียวก็อุดรเป็นตัวเป็นตันไปจะแล้ว สโมคะลาไปก็แบบนั้นไป้ด้วยฌานด้วยญาณขององค์ท่านพอไปถึงแล้วจะถามเทนบุเทวดาวิมานของใครวิมานของนันครับมโนทำไมไม่มีเจ้าของเจ้ของเขาอยู่ในมนุษย์โลกเขากำลังสร้างวิมานในมนุษย์โลกกุติวิหารในมนุษย์โลกเดี๋ยวมันเกิดเป็นของเทียบขึ้นแล้วทางนี้เจ้าของยังไม่ทันตาย ท่านี้ก็พอลงมาแล้วก็ไปกราบพูนพระบรมศาสนาข้าแต่พระบรมศาสนาผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ขึ้นไปถามเทวบุตรเทวอ่าไม่ใช่คนที่กำลังสร้างกุฏิวิหารอยู่แล้ววิมานมันเกิดขึ้นในชรวงสวรรค์มีหรือไม่พระเจ้าข้าเออ เธอก็ลงมาเดี๋ยวนี้เธอไปถามเทวดาเขาแล้วจะมาหาอบายถามเราทำไมเธอก็เห็นมาแล้วอ ม, มันก็มีสิเธอก็ไปเห็นมาแล้วใช่ไหมเธอลงมาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมควอมทิพมันเกิดขึ้น เช่นเรารับตาของทิพย์มันก็เกิดขึ้นมันมืดเช่นเราลืมตาของทิพย์เกิดขึ้นมันเห็นจริงเข้าใจไหมด้วย <cek xem. S 1> พ่อเอาแล้วหรือยังเอแล้วนะ อ, <S <S <Ừ. S 1> อื อ, อ <linguistic. S 2> น, นี่เยอะคอเยอะๆเลยเพม่อานอยู่เท่ไาไรเขาเก็บคอเท่า <Whe at. S 2> นั้น พ่อนาให้ดีเนาะน้องชายด้ยหลานเจ้าค่ะหลานเออแต่หนูเคยกก็ตอนเด็กๆแล้วก็อยู่โรงเรียนไหนเนี่ยอยู่เรียนเออเรียนเรียนจบแล้วนะอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยอยู่ปีหนึ่งฮะปีหนึ่งปวทอเรียนจบม .6 กมหกแล้วเทียบกับมแปะ่คะอ๋อโอเคเหมือนกันเรียนเก่งเหมือนกัน <Yeah. S 1> อือเป็นปวทอ่ปวทเล่นเก่งเหมือนกันนะเอออย่าไปเล่นจิกโกกจเก้กับเขาเนอะ <c oughs> อ, อย่าไปเล่นจีกโกกจเก้กับเขาเนอะ <c oughs> อต้องเก็บตัวเนอมันจะไม่สงเกียรตพวกเราฐานะของพวกเราไม่เป็นคนอย่างนั้นมันจะเสียวงตระกูลของพวกเราอืม <c oughs> ถ้าชวนมาเป็นจิกโก้จ <c oughs> เก้ครับ ไปชวนอะไรต่ออะไรกับผู้หญิงค่มคืนหร อ, อะไรอย่าไปกับเขาเน อ, อืมเก็บตัวเนอะรักษาวงศตระกูลของเราให้ดีวงศตระกูลของเราเป็นวงศตระกูลพระพุทธศาสนาเสียชีพอย่าเสียชีวะประวัติชีวประวัติต้องรักกว่าชีวิต บายยมุคุกประเภทหาอาบายละให้มันเด็ดขาด่าไปวุ่นมันมันเคยตัวอย่าไปวุ่นมั น, ม น, ย อ, ย น, มนอย่าไปสงสัยเลยอยาบา ย, ยมุกทุกประเภทจะพาให้ทับชินขานบริวารเจริญไม่มีสารอุทธร์มีแต่ทำชิบหายฝ่ายเดียวสมเร็จพระบระมาศาสดาทุกๆกพระองค์ลองเอ่ยกัน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 อาชีบหายเราก็ชิปหายเหมือนกันอถ้าไม่ใช่เงินเขาคนเดียวเราเอาเงินของเราไปาไมันชิบหายเมื่อเราชิปหายรัฐบาลเขาไม่ได้แบ่งมาให้เราด้วยเออพวกนั้นซื้อชิบหายแล้วอืมแบ่งทุนให้เขาด้วยเขาไม่ได้ว่าเราไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้ว่าถ้านทั้งหลายอืม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 หไม่แสวงพระัสดุที่หายแล้วสองไม่บุญละนะพระดุสิจที่ข้าข้าสาไ ม, ม่เลยจะประมาณในการบริโภคสมบัติสี่ตั้งสติหรือบุรุษทุศิลห้เป็นแม่เรือนพ่อพอะรือนนี่ควา้สำคัญมากบุรุษหรือสติทุศิลเป็นแม่เรือนพ่อเรือนเป็นผู้เจ้ากระเป๋าแล้วเป็นผู้รายรับรายจ่ายแล้วจะเป็นคนทุศิลป์เป็นคนแม่ละใกล้ในศิล ในธรรมของพรบรมศาสดาในคำสอนของพค์พรบรมศาสดาแล้วทรัพย์จะมีเท่าไหรก็ตามสามารถชิปหายเลยเดียวไม่บุญแลหน้าพัสดุที่คําค่าไม่ดูจักประมาณในการบริโภคสมบัติไม่บุญแลหน้าพัสดุที่หายแล้วไม่บุญแล้าพัสดุที่คําค่าไม่ดจักประมาณในการบริโภคสมบัติ อาได้ห้าก็ใช่สิทตั้สติเลยบรุษุสินนี่เป็นแม่เรือนพ่อเรือนข้ อ, อนีอ้นสำคัญมากถ้าบุรุษทุสินเป็นแม่เรือนพ่อเรือนเป็นเจ้ากระเป๋งันแล้วมันเอาไปใช้ในทางที่ไม่เป็นธรรมมันก็ชิบผายหมดมพอชิดผายไปด้วยความประพฤติของคนอันไม่ดีนี่สอนคารวะตรงๆสอนพระสวสดาบาล คำของพระโสดาบันไม่ใช่คำของปุถุชนคนหนาต้นที่โตกัลมาวสังพระโสดาบันเท่านั้นเป็นบัณทิศในทางฆรวาสเป็นต้นไปพระโสดาบันผู้คลองเรือนในข้างพุทธกาลพระองค์ทรงสรรเสริญพระเจ้ากถาคามีก็คลองเรือนพระนาคามีก็คลองเรือนแต่เป็นคนโศ พร ม, มีการมฤตตกพยาบะวิตกวหิงสาวิตกเรียกว่าเป็นคนโสดมีคู่อยู่ก็าตามไม่มีการมารมสมประโยชต์กับจิตใจนอนอยู่ด้วยกันกับภรรยาก็นอนอยู่เหมือนขี้ดินไม่มีราคะกําหนัดกันในทางการมาลมส่วนพระหราหันทราบว่าสาเร็จพระหรหันในค่าวว่า ก็สิ้นลมปลานในวันที่แปดถ้าไม่บวชเป็นไม่เทอาบวชพระเพศฆราวาสไม่สงทานเพระเรหันจะอยู่นานส่วนพระอนาคามี น, นจะอยู่สิ้นอายุขตลอดพระโสดาบันสักตาคามียกเหมือนกัน้างาลราวาไม่เหมือนพระเมนจนีพระเนนต้องอยู่จนสิ้นอายุข ถ้าสำเร็จพออาาระอรหันต์แล้วฆราวาดไม่เป็นอย่างนั้นไม่เกินเจ็ดวันวันที่แปดก็เข้าสู่อนุปาชฌานิพานชินลมปาณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่ฆรวาสก็สามารถถึงพระรยาบุคคลได้เหมือนกันในระหว่างวิดามันดา ย่าพรมาทให้เขาลบมรักนับถือถึงแก่เจริญพระบ ร, รมศาสดาเกิดมาในพวกใดชาติใดไม่ได้ทิ้งพระบรมไม่ได้ทิ้งวิดามรราเลยมีน้อยก็แ บ, บ่งให้น้อยมีมากก็แ บ, บ่งให้มากถือว่าเป็นปูนชนียสถานพระบ ร, รมศาสดาเทียบว่าคุณวิดามรรด า, าเปรียบเหมือนคุณพระหลานจะไปดูถูกดูหมิ่นไม่ได้เอวิดาบนรดาของเรานี่ยสก ป, ปกมาก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 เราอย่าไปคึงขังสท่านถึงท่านพูดมันเป็นธรรมแล้วก็จะคัดข้านองค์ท่านเราก็ต้องหาอุบายเคารพคัดค้านอย่าไปหิ้วหูคัดข้านมันบาปลูกๆคิดถึงคิดเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นลูกคิงในทําอย่างนั้นลูกขอศึกษาว่าทําอย่างนั้นมันจะผิดหรือไม่ต้องพูดมีเคารพพระเณรพระก็มีจะคัดค้านคูบาอาจารย์ต้องคัดข้านเคารพ เป็นเชิงปรึกษาไม่ใช่เชิงสอนโต้งโต้ททำอย่างนั้นจะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนั้นมันจะผิดหรือไม่ท่านอาจารย์เมื่อท่านในสติท่านลบเองไม่จำเป็นที่จะไปตวาดหรือจะไปขู่ไปเข็นทำหน้าเหี้ยขิ้วขมวดไม่ถูกเสียความเคารพอาพับ ลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เหมือนกันอาภพไม่ขึ้นคนนั้นคุณมีนาเม น, นาเปียกเหมือนคุณพระารลานเราเกิดมาชาติใดพบใดไม่ได้ทิ้งมีนาเมานาเลยเทียบเหมือนคุณพระลานชาติเป็นนกแขกก็ไปได้คาบเอารวงข้าวที่ตกหล่นของชาวนามาเลี้ยงวีาานามมนาชาติเป็นลิง ก็ไปหาผลไม้มาให้วิรามาาชาติเพนโคเป็นกระบือไปเห็นหญ้าเขียวงาๆอ่อนๆก็ไปยืนเฝ้าไว้พอบิดามาากินมาถึงก็ให้อนุชัญญาณให้กินลเราจะทาก้อนีอ้ชาติเป็นคนจนหาฟื้นขายที่นี่ก็แบ่งมาเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปเอาไปฝัง ก็อเอาไปทำบุญในพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งเอาไปใส่สทะเลหลวงก็อเอาใส่ปากใส่ท้องใส่เท่าอะไรมันก็ไม่เต็มส่วนหนึ่งเอาไปใช้นี้คือบิดามัรดาส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเหา่าเอาไปให้พันธุยาถ้าไปได้มันก็ห่าฟอฟอ้อพระพุทธศาสนาไม่ได้ชื่อบิดามันดาเลย เพราะนี้สําคัญมากขอยห้พวกลูกๆพากันเคารพมาเนี่จะเจริญก้าวหน้าเหตุฉะนั้นหลวงปู่มหาจึงไม่ยอมให้ใครปฏิบัติมนนานดาเก่งว่าเขาจะเรียกมันเป็นธรรมจึงเอามาบวช ด, ด้วยเก่งเขาจะไม่ให้เกียรติให้ยศเขาจะทําหน้าหิ้วขิ้เขามวไใ้แต่ว่าฐานะของหลวงปู่มหาไม่มีหรอก เพราะพอปากพอท้องแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ไว้ใจท่านจึงเอาวีนามาเอามันนามาตายด้วย อ, อยู่กับองค์ท่านอาจารย์ชิงทองก็เหมือนกันแต่บุญอาจารย์ชิงทองไม่มากเท่ามันนาก็เลยไปก่อนจักอืแต่เราถ้ายังอยู่ก็เอามันนามาเหมือนกันใครจะไหวอยังไงก็ตามระเบมันดาของเราตายไปใช่แล้ว แต่ก่อนเรายังไม่บวชโอ้เราบวชแล้วมันนาพันช้าที่เราบวชสองพันสอแปดสิบหกคนเองนักบวชภายแก่อายุสามสิบแล้วเราจะบวชเพราะเราไปสร้างคารวะอยู่มาในคราวนี้เขาจะได้ประมาณวินามานาันนามีอะไรก็แบ่งให้กินให้ใช้อย่าไปใช้สนุกแต่ตัวเอง กินอะไรนุ่งอะไรห่มอะไรนึกเห็นบรรดาบา้านึกเห็นวิดาบา้างอย่าไปทำหน้าหิ้วคิ้วขมวดอย่าไปไปชดแดกดันธรรมมาฆ่าไม่ขึ้นเป็นพระก็ไปไม่ตลอดเป็นข้าวาสก็ไปไม่ตลอดวิบัติมาตาปิตูปัฏฐานะ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 ถ้าขาขาของพิรามนดาก็ต้องเคารพหมดไม่จําเป็นจะไปเหยียบไปย่ําไม่จําเป็นจะไปข้ามกายเครื่องใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแม้กระโถนก็เหมือนกันผ้าชนะอยู่ในบ้านในเมืองของเรือนของเราเหมือนกันช้อนก็เหมือนกันถ้วยก็เหมือนกันชามก็เหมือนกันหน้าต่างก็ไม่ควรไปนั่งบางคนเห็นบางจะพวกนั่งหน้าต่าง ถิ่นกอนใสแล้วก็นั่งหน้าต่างเลยไม่ถูกพระ ม, ะ, มะมีต่ามีสูงขาลวโะนิวาโตเตตมังฆะมุตตมังความเคารพความยำเกรงเป็นมงคลอันอนุดมของเทวดาและมนุษย์ต่างหาย <c oughs> ความประยัดเป็นเหตุไม่ให้ลืมตัว เสื้อผ้าอาพรของเราถ้ามันขาดแล้วก็ต้องปะต้องชุนมันจะขาดจะเพียงไหม น, นุ่งหม่มออกบ้านไม่ได้ก็นหนุ่งห่มนอนอยู่ในบ้านของเราขอให้มันสะอาดก็พอเช่นพระอย่างนี้พระบรมศาสนาก็สอนนักประหยัดคนสุ่วยช่วยได้มันลืมตัวเข็มคอยมี อยู่ประจำตัวทุกๆกท่านเมื่อมันขาดแล้วจะได้ชุนได้ปะแต่เราไม่ได้เกิบกเม็ดกเมรจนไม่รู้จักทานศีลภาวนานี่หมายความว่าเราไม่ให้สุริสุร่าไม่เอยายเหมิมไม่รู้ลราจนเกินไปไปนี่เอาละนี่สองสองกันํามกันนะ จับกลับพ่ขึ้นใช่ค่ะอืมนี่ช้ามันจะมาใส่บาตน้องปูนใช่ไหมะจะทันหรือล่ะคิจะทันกพราหนูเตรียมไว้ตอนเย็นแล้วจ้ะเฮ้เตรียมไว้แลเตรียมว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างด้วยเพามีเพื่อนเดินละจะมาทางรถก็คงมาตามแหละเดี๋ยวน้ำปูจับคอมากอืยจับคอมา มียาฉันใช่ไหมมีที่ทำบายไม่ต้องค้อนกวอย <laughs> ฉันไม่หมดอย <laughs>